รับความรู้สึกจากโอปปปาติกะคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาเมื่อโอปปปาติกะที่มีศากน้อยพอเข้าใกล้โอปปาติกะที่ท่านมีบุญบา ร, รมีสูงกว่าก็จะรู้ได้จากความรู้สึกของตัวเองกล่าวคือจะรู้สึกเกรงกลัวหรือเกิดความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นถ้าหากจะถือว่าโอปปาติกะที่เป็นหัวหน้าในสถานที่ตละแห่งคือตัวพระภูมิ นอกนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นความเข้าใจของมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าพระภูมิมีองค์เดียวส่วนตามความรู้สึกของพวกโอปปปาติกาทั้งหลายแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านแนะนำว่าอย่าเข้าใจว่าโอปปาติกะที่มาอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม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 ท่านบอกว่านี่เป็นขพเจ้าซึ่งเป็นคนมีความรู้ถึงแม้ตัวเองจะติดต่อไม่ได้โดยตรงแต่ก็มีลูกศิษย์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงคอยช่วยเหลือท่านช่วยเหลือได้ก็เพราะใจของขพเจ้าเป็นสื่อและอีกประการหนึ่งก็คือมีคนที่สามารถจะเข้าสมาธิไปพบกับท่านได้โดยตรงมีเรื่องอะไรก็บอกอย่างตรงไปตรงมาได้เพราะฉะนั้น